กลับสมัส ก, การท่านพระอาจารย์ว ว, วัชิรเมธีเรียนท่านคณะบดีท่านผู้บริหารท่านอาจารย์อุปโสและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในานามของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอไ ด, ไ, ดได้รับเกียรตินะครับและได้รับเมตตาอย่างสูงจากท่านพระอาจารย์ว ว, วัชิรเมธีนะครับที่จะได้วันนี้มาให้ธรรมบรรยายในหัวข้อบุญแก้วิบากกรรมได้หรือไม่ น, นื่องจากว่าเวลาของเรามีจำกัด น, นะครับผมจึงขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหานะครับซึ่งเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีแล้วก็ถ้าเป็นไปตามคาดหมายเราจะใช้เวลา15นาทีสุดท้ายเปิดให้ท่านผู้ฟังได้เนี่ยกะได้สักถามนะครับขอเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าเนื้อหาในการบรรยายในวันนี้นะครับเราแยกออกเป็นอยู่สส่วนด้วยกันนะครับหเราจะพูดถึงเรื่องของวิบากกรรม คืออะไรนะครับส่วนที่สองเราจะพูดถึงเรื่องของบุญบและในส่วนที่สก็จะเข้าสู่สาระที่เราอาจจะคลางแคลงใจหรือบางคนอาจจะเชื่อมั่นด้วยซ้าไปนะครับว่าบุญแก้วิบากกรรมได้หรือไม่ผมขออนุญาตนะครับใช้เรียนให้ทุกท่านทราบถึงรูปแบบการบรรยายของธรรมะบรรยายในวันนี้นะครับว่าเราใช้รูปแบบอะไรทุกท่านในที่นีคงทราบดีครับว่าท่านพระอาจารย์ว ว, วชิระเมธีนะครับมี งานเขียนนะครับงานนิททนอยู่มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นธรรมะหลับสบายธรรมะทําไมธรรมะติดปีติอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ผมจะขออนุ ญ, ญาตนําเสนอในลักษณะของธรรมะใกล้ตัวผมจะนําเอาข่าวสารที่เราเห็นจากหนังสือพิมพ์นะครับและก็ที่เราเห็นจากโทรทัศน์อาจจะเป็นภาพยนตร์บางเรื่องนะครับนำบางส่วนบางตอนมานําเสนอละ ขอพวกเราวิเคราะห์นะครับแล้วก็เรียนถามอาัฏฐ ธ, ธรรมนะครับจากพระอาจารย์นะครับเราเริ่มกันจากเรื่องของส่วนแรกเลยนะครับวิบากกรรมคําถามแรกที่อยากจะนักศึกษารเรียนถามท่านพระอาจารย์ก็คือว่ากรรมและวิบากแตกต่างกันอย่างไรครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสพระมหาเทรานุเถระ ท, รทุกรุ่มเจริญพรผู้ร่วม ธรรมดาทุกคนกรรมและวิบากกรรมต่างกันตรงที่กรรมก็เป็นเหตุวิบากกรรมก็เป็นผลทีนี้จะให้ครบชุดเนี่ยจะขาดอีกตัวหนึ่งไม่ได้เพราะถ้ามองครบชุดตามหลักอิทัปป จ, จัจยตาหรือปฏิจจสมบาัากรรมกับวิบากกรรมเป็นผลเหตุจริงๆคือกิเลส กิเลสกรรมวิบากนี่จึงจะครบหลักไตรวัดของเขานะคือวัตจักรของกรรมจะประกอบด้วยสามตัวเสมอไปคือมีกิเลสก่อนพอกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็จะบังคับบัญชาให้มีการกระทําและทุกๆ ก, การกระทาก็จะมีผลตัวผลนั่นเองคือตัววิบากฉะนั้นกิเลสนี้ก็คือแรงจูงใจที่จะทาให้เราเนี่ยคิด พูดทำแรงจูงใจดีส่งให้เราทำำํากรรมดีแรงจูงใจชั่วส่งให้เราทํากรรมชั่วผลซึ่งเกิดจากแรงจูงใจและการการะทํำที่ดีเรียกว่าบุญผลซึ่งเกิดจากแรงจูงใจและการการะทําที่ชั่วก็เรียกว่าบาปนะเพราะฉะนั้นกิเลสกรรมวิบากจึงมาด้วยกันนะและข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะ ตัวที่จะเรียกว่าเป็นกรรมจริงๆจะต้องเป็นการกระทําที่มีเจตนากํากับเสมอไปถ้าไม่มีเจตนากํากับเป็นเพียงกิริยาเท่านั้นเช่นเรานั่งทํา ง, งานอยู่ดีๆจู่ๆได้ยินเสียงกิ่งไม้หักเพร้กกิ่งไม้หักจากต้นมันเป็นการกระทํานะใช่ไหมแต่มันไม่เป็นกรรมเพราะอะไรการหักของกิ่งไม้ไม่ได้ประกอบด้วยเจตนานะหรือเรานั่งอยู่ในห้องนี้จู่ๆไฟดับพึ๊ก เพราะรัตวงจรมันเป็นการกระทําก็จริงแต่เราไม่เรียกว่า ก, กรรมมันเป็นกิริยาเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีเจตนาฉะนั้นพูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นกรรมนั้นมันจำพาะเจโจงมาที่ตัวมนุษย์นะะีครับกรรมมนิยามเป็นกฎธรร ม, รมชาติที่จำพาะเจาโจงเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยเฉพาะฉะนั้นการกระทําของมนุษย์นี่แหละที่เรียกกันว่าเป็นกรรมถ้าเป็นการกระทําของสิ่งอื่นที่ไม่ประกอบด้วยเจตนา เหล่านั้นเราเรียกได้ว่าเป็นแค่กิริออยาเท่านั้นเองฉะนั้นกรรมก็คือการกระทาที่ประกอบด้วยเจตนาและวิบากกรรมก็คือผลของการกระทาที่ประกอบด้วยเจตนานั้นถ้าเรามองตรงนี้นะครับว่าผมคัดลอกมาจากกฎแห่งกรรมนะฮะหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมเขาบอกว่าคนที่เกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมากก็เพราะชาติก่อนเป็นคนชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบทรมานสัตว์กักขังสัตว์ เมื่อตายไปตกนรกนะฮะเมื่อผลจากนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เศษกรรมนั้นยังทําให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยมีความสุขถ้าวิเคราะห์กันแบบนี้ที่ผมขีดเส้นใต้ไว้เป็นคนชอบเบียดเบียนอันนี้คือเป็นการทํากรรมใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วก็ส่วนของการตกนรกหรือเจ็บไข้ได้ป่วยในชาติถัด ม, มาก็นั่นคือวิบากอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์เจริญพานตรงนี้เขียนเอาไว้ว่าคนที่เกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมากก็เพราะเมื่อชาติก่อนนั้นเป็นคน ชอบเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์กักขังสัตว์เมื่อตายไปก็ตกนรกเมื่อพ้นจากนรกแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เศจกรรมนั้นยังมีอยู่ทําให้เจ็บแค่ได้ป่วยไม่ค่อยมีความสุขอันนี้ก็จะเป็นการมองกรรมในลักษณะผลแห่งกรรมเก่าล้วนๆถามว่าประโยคนี้ถูกต้องไหมข้อความนี้ถูกต้องไหมก็คงตอบได้ว่าถูกต้องครึ่งหนึ่งเพราะในโลกของความเป็นจริง ชีวิตของเรานั้นจะไม่ได้เป็นไปเพียงเพราะกรรมเก่าเท่านั้นหลักการนี้สําคัญมากจะต้องจะต้องยืนเอาไว้ให้ชัดเพราะมิเช่นนั้นเราจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราด้วยกรรมเก่าปัญหาก็คือถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นผลของกรรมเก่าร้อยเปอร์เซ็นตคุณไม่มีปัญญาจัดการกับชีวิตในปัจจุบันขณะเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แอมันเย็นมากเลยอะกรรมเก่าของพวกเรา อย่าปีแอ้นะมันเป็นก ร, รมเก่าอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับนี่คือสิ่งที่จะตามมาถ้าเราคิดว่าทุกอย่างเป็นกรรมเก่าเราจะตกอยู่ในสภาพจัดการอะไรกับชีวิตในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยแต่ตัวอย่างที่ยกมามาจากจุลกรรมม า, าริพังคสสตรก็เป็นคำของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะไปง้างโดนท่านน่หลักต้องเน่นนะ พรท่านตรัไว้เหมือนกันในจูลกรรมมรรคพังค์กสุดเป็นการนําเสนอหลักกรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านหยิบยกมาอ้างในขณะนี้เช่นเดียวกันคำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าเช่นนั้นเราจะที่บายยังไงเพราะว่าข้อความที่ยกมาก็เป็นข้อความของพระพุทธเจ้าเราต้องไม่ลืมว่าพระไตรปริฎกมีสี่สิบห้าเล่มเวลาพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมนั้นเราจะต้องไปดูบริบทคือสภาพแวดล้อมในขณะนั้นนั้นด้วยว่า ทรงแสดงแก่ใครในเรื่องอย่างนี้ถ้าเป็นหมอก็ต้องบอกในเคสสละดีอย่างนี้เอาอยัางไงว่ากันเป็นเรื่องเรื่องว่ากันเป็นรายๆปัญหาของคนไทยก็คือหยิบพระสูตรหนึ่งแล้วมาอธิบายทั้งหมดแล้วตีขลุ่มลงไปตอกตะปูต้มโคลมเอาเงี้ยฉันเอาเงี้ยพระพุทธเจ้าว่างเงี้ยนี่คือความบกพร่องของชาวพุทธที่เวลาไปศึกษาพุทธศาสนาแล้วถ้าเจอคําของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อเลยโดยไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมนะ ฉะนั้นถ้าเราดูพระสูต์นี้เราเห็นว่าสภาพแวดล้อมคือทรงต้องการสอนกฎแห่งกรรมในระดับศีลธรรมพระพุทธเจ้าเมื่อสอนกฎแห่งกรรมสองสองระดับหนึ่งระดับศีลธรรมในกอทำคนชั่วในกอต้องรับในกอไปยิงคนในกอมีสิทธิ์ถูกยิงหรือในขอทําบุญให้ทานชาตินี้รวยมาก ทั้งทั้งที่เราคนไทยก็เห็นอยู่ว่ามันคอร์รัปชันนะอย่าไปพรุงแต่งว่าแตา่มาหมายถึงใครนะประโยคนี้ไม่มีไม่มีกรรมนะพูด ล, ยลอยๆเป็นวลีนะฉะนั้นต่อมาอยากแจที่บายตรงนี้นิดหนึ่งว่าในจูรกรรมในวิถรกมกสุล น, นั้นทรงแสดงหลักกา ร, รในระดับศีลธรรมเพื่อให้คนนั้นหานมาทําความดีและดีความชั่วและเป็นบริบทเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนที่ทรงแสดงณขนาดนั้นๆเท่านั้น ทีนี้ถ้าเราจะอธิบายว่าแล้วชีวิตของเรานี้มันเป็นไปเพราะกรรมเก่าทั้งหมดไหมในทัศนะของพุทธศาสนาก็ตอบได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะกรรมเก่าและส่วนที่เหลือก็เป็นเพราะกรรมในปัจจุบันด้วยทีนี้ถ้าจะอธิบายในเชิงวิชาการนิดนึงแต่มาก็อยากจะบอกว่าถ้าเราจะอธิบายให้ครอบคลุมและให้เป็นธรรมที่สุดกับพระพุทธศาสนาก็ต้องไปดูฐานะของกฎแห่งกรรมในพุทธธรรม คือในในพุทธธรรมนั้นมันไม่ได้มีกฎอยู่กฎหนึ่งคือกฎแห่งกรรมนั้นคุณหมอนะทีนี้คนไทยรู้จักอยู่กฎเดียวก็คือกฎแห่งกรรมแท้ที่จริงกฎแห่งกรรมเป็นหนึ่งใน5กฎธรรมชาติเท่านั้นเองเราลองดูตรงนี้นะครับเนื่องจากที่พระอาจารย์บอกว่าพระธรรมเนี่ยแสดงต้องดูตามบริบทเราลองดูบริบทของ สิ่งแวดล้อมของเราในชีวิตประจำวันเนี่ยผมนําข่าวนี้มาจากคมชัดลึกนะครับต้องขออนุมโมทนากับทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกผู้ทุกคนที่ผมนํามาเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับไม่มีเจตนาจะหมิน่นประมาทแต่ว่าต้องการให้นํามาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์หลักกรรมจากหนังสือพิมพ์จากกรณีศึกษาหัวข้อพาดข่าวว่ายิงปืนงานบวชกระสุนตกใส่หัวเด็ก13ดับอนาต ดาบตำรวจพาลูกไปเรียนว่ายน้ำเจอกระสุนปริศนาตกใส่หัวดับตำรวจพบเบาะแสชาวบ้านร่วมงานบวชวัดที่ใกล้สระน้ำนะครับระดมยิงปืนขึ้นฟ้าสนุกมืออ่ารายละเอียดพบว่าวัดเนี่ยห่างจากสาว่ายน้ำหนึ่งกิโลเมตรครยิงขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาโดนหัวเด็กตรงนี้ผมอยากจะเรียนถามทุกท่านในที่นี้ขอทุกท่านยกมือนะครับไม่ต้องไม่ต้องอายกันนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาเอาความรู้กันนะครับถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับใครคิดว่าเป็นกรรมเก่าครับยกมือเลยครับ พอประมาณนะครับแล้วใครที่คิดว่าเป็นเหตุบังเอิญครับยกมือครับเห็นไหมครัเท่าๆกันครับผมฉะนั้นอยากจะนิมนต์นะครับอาจารย์ที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามกฎธรรมชาติเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าหประการอยากจะข อ, อนิมนต์ขยายความครับผมอาจารย์ท่านได้โยงมาสู่กฎธรรมชาติทั้งหประการพอดีเมื่อกี้เรายกมือกัน สมมติอาตมามีเกลืออยู่เม็ดนึ่งนะอาตมาให้ยกมือว่าเอาฟังไหนบอกว่าเกลือเค็มยกมือฟังไหนบอกว่าไอ้เกลือเนี่ยมันหวานยกมือปรากฏว่าเสียงเท่ากันในระดับความคิดความเห็นเราสามารถสับเสียงกันได้แต่ในระดับข้อเท็จจริงเกลือเปลี่ยนคุณภาพไหมมันเค็มของมันยังไงมันก็เค็มอย่างนั้นมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่เปลี่ยนความเข้าใจของตัวเองต่อความเป็นจริงฉะนั้นสัจธรรมนั้นจะต้องใช้ ความจริงความเห็นทำให้เราสามารถวัดความต้องการได้แต่ความเห็นไม่สามารถวัดความเป็นจริงได้ในเรื่องกฎแห่งกรรมเราก็ต้องมาดูความเป็นจริงเมื่อกี้คุณหมอลองดูว่าเราเข้าใจกันแค่ไหนยังไงปรากฏว่าให้ยกก็ปรากฏว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะไม่มีใครชนะกฎแห่งกรรมมันก็หัวเราะเมื่อกี้ถ้าดูตามหลักนิยามห้คือกฎแห่งธรรมชาติห้ายิงปืนขึ้นฟ้า ตกลงมาใส่หัวเด็กซึ่งในงานบทคนคงเยอะนะ<ๆ>เยอะมากคำถามก็คือว่าทำไมจำเพาะเจะเจาหัวเด็กคนนี้ทำไมไม่ไปหล่นใส่หัวพระมัง <c oughs> ใช่ไหมน่าคิดนะหัวพระก็มีนะหัวนักการเมืองก็มี <c oughs> หัวหมอก็มีก็ไม่หล่นใสรไม่ห ล, ล่นใส่หัวเด็กน่าคิด เป็นไปได้ตามกฎสองกฎในลัทธิสุนทรธรรมะหนึ่งกฎแห่งกรรมเป็นไปได้เพราะอะไรก็ในร้อยคนพันคนอะเจาะจงหล่นใส่หัวคนเป็นไปได้ไหมว่าแรงดึงดวดแห่งกรรมทําให้เกิดสภาวะเช่นนั้นได้สองเป็นไปตามกฎธรรมชาติฝ่ายฟิสิกส์ก็คือกฎอุตุนิยามอุตุนิยามก็คือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นเรายิงปืนขึ้นไปเนี่ย ลูกกสุนมันไม่สามารถทะลุชั้นบรรยากาศขึ้นไปสู่อวกาศได้ก็ถูกดึงดูดตกลงมาก็เป็นไปตามอุตุนิยามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติลูกกรสุนไม่สามารถทานกับแรงดึงดูดได้สุดท้ายก็ตกหล่นใส่หัวเด็กเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้จึงเป็นไปตามกฎสองกฎคือถ้าเป็นอุตุนิยามก็เป็นเรื่องของแรงดึงดูดที่ลูกกระสุนฝ่าขึ้นไปไม่ได้เท่านั้นเอง ทีนี้ถ้าเป็นกรรมนิยามก็แสดงว่าเด็กคนนี้อาจจะเคยทํากรรมอะไรในลักษณะเช่นนี้เอาไว้และเป็นเหตุให้เมื่อกรำส่งผลไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่สามารถหนีกรรมได้นี่เป็นลักษณะความเที่ยงธรรมของกฎแห่งกรรมเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ว่ากฎแห่งกรรมใช้กรรมนิยามเนี่ยยืมมือนี่ก็คือการยืมมืออุด ต, ตุนิยามเพื่อที่จะจัดการกับเด็กคนนี้คือท่านมาคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นเวลากรรมจะส่งผลนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สามารถเป็นปัจจัยเอื้อต่อการแสดงผลของกฎแห่งกรรมได้ทั้งหมดมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยสามารถเลื่อนไหลามาเอื้ออํานวยกันอย่างพอเหมาะพอเจาะที่สุดในขนาดที่กฎแห่งกรรมจะอํานวยผลเช่นเร็วนี้ได้อ่านหนังสือพิมพ์ผู้ร้ายคนหนึ่งนี้มาบวชบวชอยู่ตั้งนานแล้วล่ะที่วันหนึ่งก็มีแก่ใจไปหาหมอดู หมอดูก <Merci. S 2> ็บอกว่าชัตนาถึงฆ่าไปเปลี่ยนชื่อก็ไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภออำเภอถามชื่อเก่าปรากฏว่าตรงกับหมายจับพอดีเลยไม่ต้องเปลี่ยนเข้าคุกเลยเวลากรรมจะส่งผลเห็นไหยไปบวชแล้วนะกรรมจะส่งผลขึ้นมาก็นึกขึ้นมาได้เขาเรียกว่ากรรมมาเตือนนะนะ พราสภาพาเรียกว่ากรรมมะปโจที่ต่อผู้อันกรรมกระซิปแล้วนะกรรมมากระซิบไปสิมีแผ่นเชื่อไปหาหมอดูหมอดูเป็นปัจจัยเอื้อของกฎแห่งกรรมนะร่วมมือกันเรื่มสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมกรรมและสมรู้ร่วมทำนะหมอดูบอกโอ้ชะตาถึงขดัดไปที่อำเภอเจ้าหน้าที่อำเภอถูกส่งมาอกีกช่วงนั้นหมายจับมาถึงอำเภอพอดีและเกลียดไฟมาตั้งกี่ปีคนเดียว ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้ากรรมจะให้ผลแล้วจะสามารถแปลสภาพเป็นปัจจัยเอื้อให้กรรมสงผลได้เหมือนกันทั้งหมดฉะนั้นผมเรียนถามทุกท่านใหม่เมื่อกี้ถามว่าเป็นกรรมเก่าหรือว่าเป็นเหตุบังเอิญตอนนี้เปลี่ยนคำใหม่ใครเห็นว่ายังคงคิดว่าเป็นเรื่องราวของกรรมนิยามครับขอทดสอบอีกทีนี้ครับยังมีนะฮะยังมีและใครยังคิดว่าเป็นอุตุนิยามครับนั่นก็คือเป็นกฎทางฟิสิกส์นะครับก็เข้าใจว่าเป็นท่านเดิมนะครับอาจารย์ครับก็ อาตมานเรียกว่ากรรมนิยามเนี่ยยืมอุตุนิยามเป็นเครื่องมือจริงๆอาจจะไม่บอกว่ายืมเพราะว่ายืมเดี๋ยวกรรมนิยามก็ต้องหาอะไรไปชดใช้อุตุนิยามจริ ง, รงๆเขาทํางานร่วมกันเท่านั้นเองแล้วคําถามถัดไปเราจะได้เรียนหลายก ร, รณีมากเลยนะครับจากหัวข้อข่าวนี้นะผู้ยิงปืนขึ้นฟ้าจนเป็นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนานะครับอาจารย์ครับถือว่าเป็นการสร้างกรรมหรือไม่ ผมจะถามท่านผู้ฟังก่อนนะครับนี่เรามองในกลุ่มคนนั้นคนที่ยิงปืนแล้วมีกระสุนนัดหนึ่งจากคนหนึ่งตกใส่หัวเด็กตายใครคิดว่าเป็นกรรมครับยกมือขึ้นครับเป็นการกรร่อกมยกมือไดครับครับใครคิดว่าไม่เจตนาเป็นแค่กริยาอย่างที่พระอาจารย์ว่าเมื่อสักครู่นี้ยกมือครับอ่านะครับผมเรื่องถามพระอาจารย์ครับผมก่อนอื่นอาจจะต้องขอ อ่าพอดีผมอ่านหนังสือธรรมศักดิ์สิทธิ์ของท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์กล่าวถึงประเภทของกรรมไว้สี่อย่างด้วยกันนะครับอยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ได้ขยายความตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราคงมาวิเคราะห์กันว่าผู้ยิงปืนนั้นกระทำกรรมหรือไม่ครับกรรมเนี่ยเมื่อแยกจําเมื่อแยกตามประเภทของการให้ผลมีสิสองประเภท มีการให้ผลตามเวลาให้ผลตามหน้าที่แล้วก็ให้ผลตามน้ำหนักของความรุนแรงที่คุณหมอยกมานี้เป็นการให้ผลของกฎแห่งกรรมตามน้ำหนักของความรุนแรงคือหนึ่งครูกรรมครูกรรมนี้กรรหนักจะให้ผลก่อนในชีวิตนี้อย่างที่คนไทยเราเรียกกันว่าสามวันเจวันเช่นอนันตริยกรรมฆ้าพ่อฆ้าแม่ฆ้าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้ายุ่งสงให้แต่สมาธิ กรรมห้าข้อนี้ถ้าทำปุ๊บให้ผลในชีวิตนี้ทันตาเห็นเช่นค้าพ่อค้าแม่ถ้าใครไม่เชื่อกลับไปลองค่าดู <c oughs> <c oughs> หรือถ้าตัวอย่างมันไม่เป็นรูปธรรมไปที่วัดลองค่าหลวงพ่อเจ้าวาดมันจะเห็นผลทันตาไหมมีใครอยากพิสูจน์ไหมนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะคารุกรรมหมายถึงอนันตริยกรรม ถ้าเป็นสายลบนะั้นทีนี้ถนะ้าเป็นสายบวกหมายถึงการปฏิบัติธรรมในเรื่องกันว่าอาริยมรรคมีองค์แเช่นการรักษาสินเจริญสมาธิแล้วก็ฝึกวิปัสสนากรรมฐานจะเห็นผลที่นี่และเดี๋ยวนี้เช่นธรรมภาพชวนทุกท่านทุกคนหายใจเข้าออกลองดูไหมทุกคนหลับตาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆเอาแล้ลืมตา อานาปานสติสมาธิหนึ่งในมรคแปดเห็นผลทันตาไหมพอเราหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้แล้วสังเกตถึงความสงบในห้องนี้สงบไหมทันตาเห็นนี่คือคารุ ก, กรรมฝ่ายดีเพราะฉะนั้นคารุ ก, กรรมฝ่ายดีถ้าทำปุ๊บก็เห็นผลเลยก็คือมรคมีองแปดนั่นเองเราฝึกสมาธิมันเป็นสมาธิปุ๊บตัวเราก็เงียบห้องนี้ก็เงียบถ้าทําต่อเนิดหนึ่งจังห้า น, นาทีคุณยมจะสังเกตเห็นความผ่อนคลายซึ่งปรากฏขึ้นที่กายทันตาเห็น นี่คือคารุกรรมจะให้ผลก่อนที่นี่เดี๋ยวนี้สองอาชินกรรมกรรมที่ทำถ้าจนเคยชินเวลากรรมจะให้ผลถ้าไม่มีกรรมหนักคือไม่มีอนันตรยกรรมที่ได้ทำไว้ไม่ได้เจริญมรรคแบบกรรมอะไรหล่ะที่เราทำจนเคยชินทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันน่ะกรรมชนิดนั้นจะให้ผลก่อนเช่นรักขโมยจนชินปุบปับจะเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บ เห็นแต่ภาพเดิมรักขโมยคนบางคนสวดมนต์จนเคยชินปุบปับเจียนอยู่เจียนไปขึ้นมาปากไม่สามารถออกเสียงสวดมนต์ได้ใจสวดแต่มาเคยเจอผู้ป่วยคนหนึ่งลูกหลานร้องให้ระงมเลยที่โรงพยาบาลให้หนึ่งแต่มาภาพไปดูไปนําทางเขาในวาระสุดท้ายลูกหลานร้องไห้แกยกมือแกยกมือเศ้าเศร้าเศ้าอีสาม ลูกหลานไม่เข้าใจตามาบอกโยมเงี้ยก่อนคุณพ่อกําลังทําวัดเย็นแส่สวดมนต์จนคือชินเลยคุณโยมแกออกเสียงไม่ได้ในนาทีนั้นแต่ปากของแกที่ขบขมิบขบขมิบขมบขมิบอาตมานั่งจับอาการดูตารมารู้เลยแกกำลังทําวัดเย็น และนาทีนั้นแกกําลังมาถึงบทกาเยนะคือบทขอขอมาพระรัตนตรัยแล้วพอแกเส็จปุ๊บแกไปเงียบๆชีพจนรนิ่งไปเลยอาตมาจึงบอกว่าหมอหมอนั่งเก้าอี้ลูกนั่งเก้าอี้พ่อทำวัดเสร็จแล้วกําลังขมาพระรัตนตรัยแล้วพ่อไปไปแบบสบายอันกิน ก, กรรมของแกก็คือทุกเช้าแกตื่นตีสี่แกทําวัดสวดมนต์ตอนเย็นก่อนนอน หลังลครหลังข่าวก่อนเข้านอนแกแยกจากลูกและเมียแกเข้าห้องพระแกสวดมนต์เพราะฉะนั้นพอปากมันสวดไม่ได้และใจก็สวดเราสัมผัสแป๊บเดียวเรารู้เลยว่าปากแกกําลังท่องอะไรปรากฏว่าลูกหลานไม่รู้ไม่เข้าใจกลัวหาว่าพ่อเผลอใหญ่แล้วกําลังพังงับพังงับพั ง, งับลูกคนโตหนกักกว่าเพื่อนพ่อตอนยังหนุ่มข้าพปานนี่ยนะภาพอันนี้นปล า, ป า, ป า, ปาหมอชัดเลยนึกว่าปลาหมอพังงับพังงับพังงับ อาจารต้งตกหัวเลยไปหมอป้าของโยมดินั่นสังฆาพิทุติแล้วนั่นน่ะกำลังถึงบทสันเสริญคุณกับพระสงฆ์น่ะนี่คือคนคนไม่รู้ก็จะไปกวนสภาวะจิตของผู้ป่วยได้นะคุณโยมเนอะฉะนั้นกรรมที่เราทําจนเคยชินทุกวันนี้คุณโยมทําอะไรจนเคยชินสําคัญมากจิตเขาจะเสกคุณยังไงแต่มาอ่านพระไตรปิฎกจนเคยชินนะวันหนึ่งอาจมาไปแสดงธรรมแล้วมันยังไม่ถึงเวลาเสที ลูกศิษย์เปิดประระท่อมให้ดูในในห้องรับรองนะรอยรักรอยบาปเราเจอคุณก่คนหญิงรากขากำลังร้อรันคนหญิงร่ายยานะ่ยรมรันพันตัวกันอาตมาอ่านแต่พระไตรปิฎกอ่ะอาตมาก็จิตก็เชื่อมไปถึงกฎแห่งกรรมในพระใจรปิฎกเลยวันนี้เห็นไหมมันเป็นกรงเวียนกรรมเปลียนที่ตามกันมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ เวลาเห็นตัวละครกำลังเล่นเล่นอยู่ในจอโทรทัศน์เนี่ยจิตอาตมาเชื่อมไปหาแต่พระไตรปิฎกเพราะอะไรนั่นคือความเคยชินของอาตมารหรือบางคนเป็นนักการตลาดมาฟังอาตมาเทศแค่ฟังแล้วก็จดตลอดก็เป็นนักการตลาดนาะพอเสร็จปุ๊บพระอาจารย์เจ้าคะที่พูดวันนี้ทั้งหมดขอจิตไปทาคําโฆษณาได้ไหม <c oughs> นี่คืออาจินนกรรมกรรมที่เราทําอยู่จนเคยชินนะถ้าคารุกรรมไม่มีกรรมเช่นนี้จะให้ผลก่อน มันจะกลายมาเป็นสภาวะจิตสุดท้ายของเราก่อนดับสามอาสนกรรมกรรมที่เราทำเมื่อจวนเจียนในกรณีที่จวนเจียนจะตายแล้วเนี่ยครุกรรมไม่มีอาจินกรรมก็ไม่เข้มข้นพออาสนกรรมเกิดในขณะจิตดวงสุดท้ายคือจุดติจิตจะเคลื่อนทําอะไรไว้ในช่วงนั้นจิตจุดติดจิ ต, จ, ตจะประทับภาพความทรงจาของกิจกรรมสุดท้ายนั้น เป็นกรรมแล้วนําไปเกิดกลายเป็นปฏิสนธิเจ็ดฉะนั้นก่อนจะเสียชีวิตภาคเหนือเราจึงถือกันนักกระนาว่าให้นิมนต์พระสงฆ์มาอ่านธรรมมหาวิปากสนใช่ไหมถ้านิมนต์พระสงฆ์ไปอ่านธรรมมหาวิปัสสนา ก, ก็เตรียมใจไว้ได้เลยบางคนก็ฟังจนจบแล้วก็ไปบางคนฟังครึ่งๆกลางๆก็ไปเพราะอะไรแสดงว่าชาวพุทธเมืองเหนือเราฉลาดมาก ต้องการให้จิตดวงสุดท้ายคืออานสงส์กรรมประทับเอาแต่ความทรงจำที่แสนงามแล้วก็ไปสู่สัมปรยายพภ์แต่การรอให้พระสงฆ์ไปสร้างบรรยากาศเช่นนั้นได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเพราะบางทีนาทีเป็นนาทีตานั้นจิตเขาฟุ้งมากฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเองก่อนเสมอไปอย่าไปรอให้ไป น, นิมนต์พระสงฆ์บางทีจะเป็นจะตายพระงาพระง่าอยู่ไป น, นิมนต์หลวงพ่อเจ้าว่าหลวงพ่อเจ้าวัดไปไประชุมกรุงเทพได้เน้นน้อยขบุกมา อ่านดูเรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างมันก็จำเอาไปเนี่ยไปเกิดฝังขมูว่าจะนั้นสําคัญมากนะอาศนักกรรมและสี่กะตะัตากรรมกรรมที่ทำด้วยเจตนาที่อ่อนมากเจตนา อ, อน่ อ, อนๆไม่ได้ตั้งใจทําไม่ได้เต็มใจทําจะทำจักแต่ว่าทําอาจารย์เอาซองไปยื่นเอามาทําไมเมื่อวานก็รับมาซองหนึ่งวันนี้ก็มาอีกละใส่ยี่สิบบาทเอาป่ ะ, ปะทํางานทํางานทํางาน ปุ๊บปั๊บจะเป็นจะตายมาคารุกรรมไม่มีอาจินนกรรมไม่มีอาสนกรรมไม่มีกตัดตากรรมใส่ซองไปบนไปวา่าขึ้นมา <laughs> นั่นแหละนําไปเกิดในภพหน้าเป็นกตัดตากรรมเห็นไหมฉะนั้นทุกท่านลองทบทวนดูนะในชีวิตของเราเราทำกรรมอะไรมาแล้วบ้างคารุกรรมอาจินกรรนกรรมอาสนกรรมแล้วก็กตัดตากรรม พรอาจารครับถ้าแบบนี้ในกรณีที่คนที่เข้ายิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยถ้าฟังจากตั้งแต่ต้นมาเนี่ยแยกแยะ ก, กันว่าอาจจะเป็นกะตากรรมหรือไม่อันนี้เราเรียกเป็นกิริยาเพราะไม่ไม่ไ ม, มีเจตนาเลยครับคือถ้าดูตามหลักการให้ผลเมื่อกี้เนี่ยที่ตถาพูมาสีกรรมเนี่ยก็น่าจะไปเข้าข้อสุดท้ายในกรณีของคนยิงปืนนะคือทำได้เจตนาอ่น อ, อน เจตนาอ่อนก็หมายความว่าบางทีเนี่ยอาจจะเอาปืนมาทดลองนะเช็ดปืนขัดปืนเสร็จแล้วก็ลองยิงเล่นๆดูเจตนาในการยิงปืนมีไหมมีแต่เจตนาจะทําร้ายคนมีไหมคงไม่มีเพราะฉะนั้นเจตนาในการยิงปืนน่ยมันมีแต่เป็นเจตนาที่อ่อนมากฉะนั้นพอลูกกระสุนขึ้นสู่ฟ้าแล้วไปเจออุตุนยิยมก็ตกลงมาถูกใครสักคนหนึ่งเขาตายจริงถ้า กรณีอย่างนี้จะเป็นมิบากกรรมตามไปในอนาคตก็จะเป็นมิบากที่อ่อนมากคือไม่เข้มข้นไม่รุนแรงเพราะเจตนาฆ่าไม่มีแล้วก็ประเด็นที่สองคือไม่เป็นกรรมเลยเนื่องจากเจตนาฆ่าไม่ได้มีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเขาเพียงแค่ยิงปืนทิ้งตามธรรมดาเท่านั้นเองฉะนั้นในกรณีอย่างนี้จึงเป็นได้ทั้งกรรมและไม่เป็นกรรมถ้าเป็นกรรมก็ถือว่าเป็นกตัตากรรมคือทํากรรมที่ทําด้วยเจตนาที่อ่อนมาก ถ้าไม่เป็นกรรมเพราะว่าไม่ได้เกิดจากเจตนาฆ่าก็เป็นเพียงกิริยาก็จบนั่นนั่นมันหมายความว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปก็คือว่าเด็กคนนี้อายุ13าปีที่ถูกยิงศรีรษะโดยไม่ตั้งใจนั้นอาจจะเป็นได้ว่าชาติก่อนก็อาจจะทําอะไรที่เป็นกตะตากรรมก็คือไม่ไม่เจตนานะฮะแต่ว่าไม่มีขรุ ก, กรรมฝ่ายดีไม่มีอาชินกรรมฝ่ายดีไม่มีอาสนกรรมฝ่ายดีมาปกป้องก็เลยชาตินี้รับเต็มเต็ม การตัดสกรรมที่ทำถ้ามองถ้ามองถ้ามองในมุมของเด็กก็มีความเป็นไปได้ขณะเดียวกันถ้าไม่ได้มองว่าเด็กไปทํากตัดสกรร ม, มาไว้ในชาติก่อนมองว่าเป็นอุตุนิยามก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับฉะนั้นเวลาเรามองเราสามารถมองได้รอบๆมองได้หลายๆไม่ติดครับเพราะว่ากฎธรรมชาติมีตั้งห้ากฎนะคืออุตุนิยามก็หมายถึงกฎธรรมชาติฝ่ายฟิสิกส์ทั้งหลายเช่นเรื่องดินฟ้าอากาศนะดินน้ําลมไฟ สภาพแวดล้อมต่างๆซึ่งมีผลทำให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สองก็คือพีชนิยามก้นแห่งการสืบพันธุ์พ่อผิวขาวแม่ผิวดำหรือพ่อผิวดำแม่ผิวขาวพอมีความสัมพันธ์กันปุ๊บก็ออกมาเป็นพีชนิยามเช่นบารักโอ บ, บามาเห็นนะ แล้วก็สามก็คือจิตนิยามจิตของเราทํางานอย่างไรทุกทุครั้งที่เราคิดขึ้นมาสังสมเป็นพระวังคจิตคือจิตได้สำนึกหรือขณะที่เรากําลังพูดอยู่ตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้จิตที่ทํางานในขณะนี้คือปกติจิตบางสิ่งบางอย่างที่เราประทับใจเราลึกซึ้งกับมันมากมันจะถูกเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกของเรานั้นก็เรียกว่า ภาวะวังคจิตหรืจิตได้สํานึกอันนี้การทํางานของจิตก็เป็นจิตตนิยามแล้วก็เวลาที่เราทําอะไรก็ตามด้วยจิตนาสิ่งนั้นจะส่งผลเป็นกรรมและไดบากกรรม น, นั้นก็เป็นกรรมมนิยามและก็ที่ห้าก็คือรำมนิยามคือใดในโลกนี้ล้วนเชื่อมโยงเป็นอย่างเดียวกันในลักษณะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆยนะคำว่าบังเอิญในพระพุทธศาสนาไม่มีเลย พระทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มาที่ไปเสมอกฎอย่างนี้เรียกว่าธรรมนิยามฉะนั้นที่พูดมาเมื่อกี้ก็เป็นไปได้ทั้งอุตรนิยามและก็กรรมนิยามครับขอบคุณครับอาจารย์ครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของกรรมเนี่ยนะครับอาจารย์ครับมันจะมีคำคำหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือว่าโดยเพราะยิ่ถงถ้าพูดถึงเรื่องวิบากกรรมจากกรรมเก่านะครับไปกรรมนิยามมันจะมีคําว่าเจ้ากรรมนายเวงขึ้นมา แต่ก่อนที่ผมจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเจ้ากรรมนายเวนี่คืออะไรผมอยากจะเรียนเชิญพวกเราทุกคนลองดูนะครับมันผมนําภาพจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้ดูนะครับไม่น่ากลัวนะครับเด็กๆ ด, ดูได้ครับเรื่องชัตเตอร์ของเวลาสองนาทีครับแล้วเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันว่าเราได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านนึกภาพนึกภาพเจ้ากรรมนายเวนไว้นะครับในมุมมองของท่านท่านคิดว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไร ท่านรู้ฟังก่อนท่านมีความรู้สึกไหมครับว่าเจ้ากรรมนายเวรหน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้ผมเห็นบางท่านที่กําลังปวดคออยู่ขณะนี้นะเสียวคอเสียสละวูบ ก, กันหลายคนนะครับจากคนไข้ผมก็มีหลายคนไม่แต่ผมไม่คิดว่ามันจะอย่างนั้นหรือเปล่าเรียนถามพระอาจารย์ครับจริงๆเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นอย่างที่เราเห็นในภาพขยลดมั้ยครับก็ถ้าอธิบายอย่างนี้หมอจะตกงานเป็นแถวอะ่ะ <laughs> เวลามีใครปวดคอมนะัน <laughs> หมอบอก ยอมหมอไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ามันขี่คอมก็มีความเป็นไปได้นะอยากจะแวะข้างทางตรงนี้นิดหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งหารมาศึกษาเรื่องนี้เยอะมากพาพยนตร์ที่ที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องนี้นะก็คือ destination ทำกันมาตั้งสามภาคเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมทั้งหมดเลยตามเหตุตามปัจจัยแสดงชัดเจนแบบนี้เลย นี่ก็สะท้อนเรื่องความเข้าใจในกฎแห่งกรรมของฝรั่งฉะนั้นเป็นเรื่องน่าสังเกตว่าเดี๋ยวนี้แนวโน้มของโลกกาลังสนใจเรื่องพระพุทธศาสนามากแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราจะต้องจับหลักให้แน่นกว่าเขาเพราะว่าเวลาฝรั่งมั่วเราจะไปมั่วตามเขาแต่เท่าที่เห็นเนี่ยคนไทยจะเป็นประเภทไม่ต้องรอให้ฝรั่งมั่วหรอกฉันมั่วของฉันเองในหมู่คนไทย อา้านี่ตั้งเขาตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาสนใจมากถ้าเราสนใจน้อยกว่าเขาเดี๋ยวเราต้องไปเรียนจากเขาเจ้ากรรมในเวรคืออะไรมองในมุมพุทธก็ตอบได้สองอย่างนะก็คือคนคู่เวรภาษาพระใช้คําว่าเวรีเวรีแปลว่าคนมีเวรคือได้เคยทําร้ายกัน แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถแก้แคนได้ก็ได้ผูกจิตเอาไวแ้แล้วด้วยจิตตัวนี้มันก็กลายเป็นวัตจักรของกรรมก็คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเป็นวัตจักรตรงเกวียนกรรมเกวียนคอยให้ผลอยู่ในสังสารวัฏและสอง เจ้ากรรมนายเวรหมายถึงพระวังคจิตคือจิตได้สํานึกของเราเองขอยกตัวอย่างก่อนในกรณีที่หนึ่งเจ้ากรรมนายเวรหมายถึงคนคู่เวรซึ่งตรงกับคำว่าเวรีในภาษาบาลีนี้เช่นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากนี่เป็นเหตุการณ์ที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์นะเธอมีความสวยมากๆชายหนุ่มมาหลงรักกันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจีบหัวกระไดไม่แห้ง แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเลือกผู้ชายคนไหนผู้ชายก็สังเกตว่าทำไมไม่ตอบปากรับคำเลือกใครสักทีเนี่ยสวยขนาดนี้เขาก็สังเกตไปสังเกตมาเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งเธอรักสุนัขตัวนี้มากนอนก็นอนด้วยนั่งก็นั่งด้วยไปเที่ยวก็สุนัขไปด้วยผู้ชายเหล่านี้ก็สร่อกันว่าอ๋อเข้าใจละ ที่เธอไม่เลือกผู้ชายอย่างเราอะเพราะว่าเธอมีสุนัขเป็นกิ๊กนั่นเองแล้วข่าวนี้ก็เล่าลือกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืนะในที่สุดผู้หญิงคนนี้อับอายขายหน้ามากเห็นว่าเหตุแห่งความอับอายขายหน้าทั้งหมดมาจากสุนัขวันหนึ่งจริงหลอกสุนัขของตัวเองไปที่ริมฝั่งน้าผลักตกหน้าผาก่อนที่สุนัขจะตกหน้าผานั้นได้เอาหม้อบรรจุทรายจนเต็มนะ แล้วก็เอาเชือกมาคล้องที่คอสุนักแล้วก็ผลักตกสุนักจิตเขาบริสุทธิ์มากนะเขาพักดีต่อหนายทีนี้พอเขาปรับล่วงลับดับขันไปเนี่ยด้วยเจตนาร้ายของสตรีคนนี้เขาทําอะไรไม่ได้เขารู้ทีเขาตายแล้วจมอยู่ใต้น้ําต่อมาก็ด้วยกรรมตัวเนี้ไม่รู้ว่าสุนักเขาจะจองเวรจองกรรมแค่ไหนยังไงแต่ผู้หญิงคนนี้ต้องตายตกน้ําถึงเจ็ดพบเจ็ดชาติทําไมแรงขนาดนั้น เพราะว่าสุนัขนั้นมีเจตนาบริสุทธิ์ต่อเจ้าของมากส่วนเจ้าของนั้นมีเจตนาร้ายฉะนั้นทันทีที่สุนัขเขาตระหนกรู้ขึ้นมาว่าเขาถูกประทุกสร้ายเนี่ยถ้าเกิดเขาจองเวรขึ้นมาเวรก็เจอเลยอันนี้กินเวลาถึงเจ็ดพบเจ็ดพลาดกระบวนการชำระเวรกรรมเก่าของเจ้ากรรมนายเวจรจึงจบสิน้นนี่เป็นเรื่องหนึ่งในในครั้งอดีต <c oughs> ทีนี้มาเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลนี่เองอันนี้ใกล้เข้ามาอีก คือในในสมัยเดียวกับเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเล่าไว้พิสูจกลุ่มหนึ่งมาเฝ้าพระองค์แล้วมาไม่ทันแวะพักข้างทางในถ้าจู่ๆถูกหินใหญ่เลื่อนมาปิดปากถ้าติดอยู่ในถ้ำเจ็ดคืนเจ็ดวันชาวบ้านมาผลักหินก็ไม่ออกผลักจากข้างในก็ไม่ออกดึงจากข้างนอกก็ไม่ออกพอเลยเจ็ดวันเห็นเลื่อนออกเองโดยตอตโนอมัติภิสูจนั้นอดข้าอวอดน้ําอยู่ในนั้นในสภาพเกือบมรณภาพทุกรูปต้องคลานออกมา เจียนอยู่เจียนไปจะเป็นจะ ต, ตายกันทั้งหมดชาวบ้านตรูกันเข้าช่วยเอาไว้ทันพอเราตายมาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงย้ำพระสวรคือยินบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของชาตินี้มันเป็นเรื่องของชาติที่แล้วชาติที่แล้วพวกเธอเป็นเด็กเลี้ยงวัวแล้วว่าหนึ่งจูงวัวผ่านจำปลวกเห็นตัวเงินตัวทองเนี่ยนะเขาวิ่งเข้าไปในจำปลวกแล้วก็คิดกันแผลงๆว่าเฮ้ยเราเอาอะไรมาปิดปากรูก็ปิดปากรูวไว้ เราคิดว่าตอนเย็นตอนจูงวัวกลับบ้านค่อยมาปลอ่อยมาเปิดปากโรูปรากฏ ว, ว่าตอนเย็นผ่านแถวนั้นลืมสนิททิ้งร้างเอาไว้เจ็ดวันตัวเงินตัวทองเขาไปติดอยู่ในโรูพอวันที่เจ็ดจูงวัวผ่านมาทางนั้นใครคนหนึ่งเห็นปากรูที่ถูกปิดไว้ด้วยผลงานของพวกตัวเองก็ไปเปิดตัวเงินตัวทองเขาคลานออกมาในสภาพเกือบตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งที่เธอได้รับในปัจจุบันมันเป็นผลจากชาตินั้นนั่นเองเธอไปแกล้งเขาเอาไว้ คุณย่มเห็นไหมว่านี่คือรูปธรรมของเจ้ากรรมนายเวรในความหมายที่หนึ่งคือเราไปทําเขาเขาก็ผูกเวรก็กลับมาทําเราฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สามารถสืบย้อนไปหาหลักการในพระพุทธศาสนาในเชิงกัมพีได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นรูปธรรมแล้วก็สองเจ้ากรรมนายเวรซึ่งไม่ใช่รูปธรรมเช่นนั้นแต่เป็นจิตใต้สำนึกของเราที่ได้เก็บกดฝังลึกอะไรเอาไว้สักอย่างหนึ่งแล้วปล่อยไม่ได้ เช่นผู้หญิงคนหนึ่งไปปฏิบัติที่พุสนากรรมปัญหาสามวันจิตเธอไม่สงบเลยเพราะพอหลับตาก็เห็นโลกหลับตาก็เห็นโลกหลับตาก็เห็นโลกพระพุทธน迦ราจารย์จึงเรียกมาถามว่าทําไมคุณจึงดูไม่สงบเธอบอกว่าสงบไม่ได้เจ้าค่ะทําไมระยมลูกเขามาเจ้าค่ะพระท่านก็ถามแล้วเขามาทางไหนพอยมหลับตาเขาก็มาตลอด มาทำไมเขามารบกวนโยมแล้วทำไมโยมไม่บอกเขากลับไปโยมบอกแล้วแต่เขาไม่กลับเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรทาเขาจะอยู่กับแม่ฮาก็เลยบอกงั้นโยมมาฝึกทน่น่ก็เลยพาฝึกพาฝึกซึ่ ง, ซ, งซึ่งหน้าเดินจงกรมซึ่งซึ่งหน้าอยู่กับพระอาจารย์ผลก็คือลูกไม่มา ท่านจึงได้บทสรุปว่าลูกของโยมทันทีที่โยมทําแท้งเข้าไปแล้วเขาก็ไปแล้วแต่ในมโนธรรมสำนึกของโยมทําไมเขาจึงกลับมาเพราะโยมอยู่กับอดีตพอหลับตามปุ๊บจิตเขากกลับไปอดีตไปเอาอาดีตขึ้นมาปรุงพอเอ า, อาดีตขึ้นมาปรุงลูกก็มีชีวิตเธอนั่นเองเป็นคนที่ไปขุดลงไปในจิตใต้สํานึกของความรู้สึกผิดเพราะเธอรู้สึกผิดเงี้เธอถึงมาปฏิบัติธรรมใช่ไหม เพราะฉะนั้นพอตาถูกปิดหูถูกปิดปากถูกปิดเหลืออยู่ประตูนหนึ่งคือใจตัวใจนี้เธอไม่ได้ปิดเอาไว้ด้วยสติจึงไปขุดเอาความทรงจำที่แสนเจ็บปวดขึ้นมาปรุงว่าโลกมาทวงบุญทวงชีวิตและเธอก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรมาจริงๆเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้มาแต่จิตได้สําเนื้อของเธอนั่นเองมันฟุ้งขึ้นมานี่เป็นความหมายที่สองของเจ้ากรรมนายเวรนนคือจิตของเราปรุง ปรุงเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาหลอกมาหลอนตัวเองแล้วก็ทําให้หลายคนป่วยด้วยโรคซึมเศร้าหลายคนต้องบําบัดด้วยการพูดกับตัวเองต่อหน้ากระจกฉะนั้นโรคนี้กําลังเป็นกันมากทั่วทั้งโลกเลยคือโรคซึมเศร้าเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆเลยนะก็คือฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออยู่กับปัจจุบันขณะเพราะเราอยู่กับปัจจุบันขณะความทุกข์อดีตเข้ามาถึงความทุกข์อนาคตเข้าไม่ถึงมีแต่ที่นี่และก็เดี๋ยวนี้ก็สามารถตัดกัมได้ ขอบพระคุณครับท่านชันครับแล้วถ้าว่าอย่างนั้นผู้หญิงปืนโ hop ไปสกไกลนะครับกลับมาถือผู้หญิงปืนเลยผู้หญิงปืนถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเด็กคนนี้หรือไม่ครับในทัศนะของอาตมาคิดว่าไม่น่าจะเพราะรูปแบบการให้ผลบังกฎแห่งกรรมมันไม่ได้เป็นลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งมันพึงเป็นอาการของคนที่มีเวรต่อกันการยิงปืนนั้นยิงจากที่ไหนก็ไม่รู้เจตนาก็อ่อนมาก เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเข้าข่ายในกรณีอย่างนี้แต่ในกรณีที่จูจๆมานั่งฟังห้องนี้แล้วก็เห็นมันอยู่ฝั่งนูน้นเห็นท้ายถอยมันฉันไม่ชอบมันเลยหมอเนี่ยอย่างนี้แสดงว่ามันมีแรงกระทํานะระหว่างคนสองคนนะในกรณีอย่างเนี้แสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวทแต่มาขอเล่าว่ามันมีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นคือมีฝรั่งคนหนึ่งมาฝึกงานอยู่ที่ภาคอีสาน ครอบครัวหนึ่งมีลูกกันดูเหมือนสักเจ็ดหรือแปดคนฝรั่งคนนี้มาประทับใจลูกคนที่ห้หรือที่หกถูกอกถูกใจมากแล้วก็ขอไปเลี้ยงที่ต่างประเทศจนสําเร็จการศึกษาเป็นด็อกเตอร์แล้วมีงานทําอย่างดีเพวันหนึ่งก็พาลูกเลี้ยงคนนี้กลับมาที่อีสานแม่ก็พูดกับฝรั่งคนนั้นว่าคุณฉันมีลูกทั้งเจ็ดแปดคนทําไมคุณไม่รับไปเลี้ยงมันทั้งหมดน่ะ พระนางก็บอกว่าไม่รู้สิฉันเห็นลูกของคุณะ่ะฉันก็รู้สึกถูกชจตากับเด็กคนนี้เท่านั้นคนอื่นฉันเฉยๆมากแล้วฝรั่งคนนี้ก็รู้นะว่าลูกที่เหลือและครอบครัว น, นี้ลำบากมากแต่จิตที่จะกรุณาไม่มีเลยกลับมีต่อเด็กคนนั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นจำเพาะเจิจองลงไปเห็นไหมว่านี่เป็นเจ้ากรรมในเว้นฝ่ายดีนะเป็นเจ้ากรรมในเว้นฝ่ายดีที่เคยผูกพันกันมา อาจจะเป็นว่าเคยเป็นพ่อเคยเป็นแม่เคยเป็นลูกเคยเป็นหลานกันมาเพราะฉะนั้นในชา้นที่แล้วเนี่ยยังมีความผูกพันกันอยู่พอมาถึงชาตินี้ปุ๊บความเป็นเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายดีเนี่ยกดึงดูดเอาความสัมพันธ์เดิมฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็รับกันไปดูแลเช่นเดียวกันอีกฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรอยากจะให้พูดถึงสองม่มเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายร้ายด้วยฝ่ายดีด้วยแล้วเวลามันแสดงผลก็จะแสดงผลทั้งสองฝ่าย ในในชีวิตนี้คุณโยมคงจะเจออะไรในลักษณะอย่างนี้มากเช่นคนบางคนทำไมดีต่อเราเหลือเกินนะนะอย่างแตมาก็เจอนะแตมาไปแสดงธรรมที่ต่างประเทศมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยยอมหยุดงานเลยนะทำงานมาทั้งปีไม่หยุดทุกครั้งถ้าแตมาไปเขาจะหยุดงานเพื่อมาดูแลต่ตมาแล้วก็ไม่มีลูกเลยรักเหมือนลูกเหมือนหลานดูแลทุกอย่างอย่างดีที่สุด แล้วก็นิมนต์ให้แตมาไปพักที่บ้านปกติเขาเป็นซีอใหญ่เขาจะไม่มีเวลามาทําอะไรงี้ทีนี้พอแตอมาไปปุ๊บเขาจะทําทุกอย่างเหมือนแตมาเป็นลูกเลยแล้วเวลาแตมาพูดอะไรก็มีผลต่อชีวิตเขามากในขณะเดียวกันพี่น้องหรือคนแวดล้อมพูดอะไรเขาไม่ฟังเลยแปลกนะคนุณผยมนะแล้วเขาเสมอต้นเสมอปลายมากกี่ปีกี่ปีความรู้สึกดีนั้นไม่ไม่เคยลดลงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้แตมาคิดว่า ถ้าเราพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรควรจะพูดถึงสองมิติคือทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีที่เมืองไทยนั้นเวลาพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรก็มักจะไประบายสีให้คนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรนั้นไม่ดีทั้งหมดเลยนะแท้ที่จริงในแง่มุมที่ดีเขาก็มีเหมือนกันฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นี่กล่าวอย่างสั้นที่สุดแตมาคิดว่าไม่น่าจะเพราะเจตนาดูแล้วมันมันไปเข้าเขากระตับตา ก, กรรมซึ่งมันอ่อนมากคขอบคุณครับทีนี้ เม่อก้พระอาจารย์อาจจะตอบตรงนี้ไปไปบ้างแล้วแต่ผมถามเรียนยาจาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลาเราไปวัดเนี่ยทำบุญถวายสังฆทานหรืออะไรก็แล้วแต่พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับท่านจะบอกว่ามีบางบางท่านท่านจะบอกว่าอุทิศกุศลที่ได้ทำผลนี้เนี่ยนะครับขอให้พระแม่โทรณีนะครับแล้วก็องค์จําบุญจําบาปจํ า, าน้ำหยาดหมายทาน รับทราบไว้เก็บบันทึกไว้คําถามก็เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเวลาเราทํากรรมเนี่ยทำด้วยเจตนาก็ดีหรือเป็นกตะตากรรมโดยเจตนาอ่อนๆศักพทธรรมก็ดีเนี่ยใครเป็นผู้บันทึกกรรมที่มนุษย์ทํำไว้ครับท่านพระอาจารย์ครับคุณหมอว่าใช้คอมพิวเตอร์นะหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์มันก็มีอยู่ในชีวิตของเราก็มีหน่วยความจําเปลี่ยนให้เห็นภาพยิ่งกว่านั้นเครื่องบินทุกลามีกล่องดํา กล่องดำแต่สีส้มนะทำหน้าที่บันทึกประวัติการบินตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินขณะที่เครื่องทําการบินทั้งหมดเอาไว้ถ้าเครื่องบินตกถ้าคนพบกล่องนี้แล้วก็ทุกอย่างพลี่คลายเช่นเดียวกันในเครื่องบินคือชีวิตของเราก็มีกล่องดำคอยบันทึกทุกสิ่งที่เราคิดพูดทําเอาไว้สิ่งนี้ภาษาพหุเรียกว่าพหังวังขจิตหรือจิตใต้สํานึก จิตมีจิตเดียวเท่านั้นแหละแต่เวลาทำงานน่แบ่งเป็นสองคุณภาพหนึ่งวิถีจิตหรือจิตปกติเวลาเราลืมตาตื่นขึ้นมาเราคิดเราพูดเราทำอะไรอย่างปกติคนปกติทั่วๆไปอย่างนี้ทำให้เรารู้จักเข้าสังคมรู้จักเสแสร้งแสดงรู้จักวางเนื้อวางตัวรู้จักท ร, รมาหากินนี่เป็นปกติจิตหรือวิถีจิตของเราทั้งหมดทั้งสิ้นทีนี้พอเราทาอะไรแล้วทั้งดีทั้งชั่ว บางอย่างมันก็แสดงผลในปัจจุบันขณะเสร็จสิ้นกันไปบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้แสดงผลมันไม่ได้เสร็จสิ้นเกิดไปเราจะจะเก็บเอาไว้หรือบางทีเราไม่ได้จะเก็บเอาไว้แต่มันเป็นความทรงจําที่เข้มข้นมันส่งลงข้างล่างไปเก็บไว้ในจิตได้สําน็จถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพวิถีจิตหรือปกติจิตเปรียบเสมือนห้องรับแขกทุกคนจะจัดห้องรับแขกให้ดูดีใช่ไหมขณะเดียวกันอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่อยา ก, ปกเปกี่ยนเอาไปไว้ในห้องเก็บของ ห้องรับแขกคือปกติจิตห้องเก็บของก็คือพระวังขจิตสังเกตไหมระวางห้องรับแขกกับห้องเก็บของห้องไหนของมากกว่ากันห้องเก็บของจะมากที่สุดนะของอันไหนที่ไม่อยากโชว์อัดเข้าไปนะเสื้อผ้าอาภรณ์ของดีเก่าๆที่แฟนคนเก่าให้เอาซ่อนเข้าไป <c oughs> และของดีโชว์อยู่ในห้องรับแขกของไม่ดี <c oughs> ทั้งหลาย สิ่งที่ไม่อยากจดจาทั้งหลายลงในห้องเก็บของตัวห้องเก็บของนีเองเป็นคลังความจำของเราและเป็นผู้บันทึกกรรมดีกรรมชั่วพอบันทึกกรรมดีกรรมชั่วปุ๊บวันหนึ่งถ้ากรรมดีกรรมชั่วนั้นกลายเป็นทิรธทำบเวทำกิกรรมคือสามารถให้ผลได้ในชีวิตนี้ก็จะให้เลยแต่ถ้าไม่สามารถให้ผลได้ในชีวิตนี้มันจะแปลงร่างก่อนเราจะตายจะมีจิตเคลื่อนจักพบเรียกว่าจติจิต จุดติจิตจะดึงดูดเอาสิ่งดีสิ่งร้ายทั้งหมดที่บันทึกไว้ในผ้าวังพระจิตขึ้นมาเป็นพลังกรรมพลังกรรมจะถูกถ่ายทอดสู่กันและกันในรูปของกระแสที่รวดเร็วมากมาอยู่ที่จุดติจิตพอจิตดับปุ๊บเคลื่อนไปสู่พบหน้าเป็นปฏิสนธที่จิตคือจิตที่นำไปปฏิสนธ ตัวขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างจุดติจิตและปฏิสนธิจิตคือชนอกกรรมกรรมนําไปเกิดตัวกรรมนำไปเกิดนี่เปรียบเสมือนสายแลนของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมันเชื่อมต่อระบบทั้งหมดระหว่างพบพบ น, นพบนี้อบอุ้มเอากรรมดีกรรมชั่วที่บันทึกไว้ในจิตเต้ลสำเร็จไปฉะนั้นจึงมีกรรมอีกชนิหนึ่งที่เรียกกันว่าชนกกรรมนะชนกกรรมก็คือกรรมนําให้เกิดมันจะอยู่ ระหว่างจุดตีเจ็ดปฏิสนธิเจ็ด ต, ตัวนี้บางครั้งเราก็เรียกว่าพลังกรรมนําไปเกิดเราอย่างสั้นที่สุดตัวที่บันทึกกรรมดีกรรมชั่วที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็คือจิตใต้สํานึกของเรานั่นเองฉะนั้นไม่ต้องคิดถึงเจ้าหน้าที่ในยมโลกนะที่นั่นไม่มีคอเนเซนเตอร์ <c oughs> ก็เรานี่เอ ง, เองอที่บันทึกเอาไว้นั่นหมาความว่าทุกขณะจิตอย่างที่พระ อ, อาจารย์ว่าเราอยู่กับปัจจุบันทําดีพูดดีคิดดีเพื่อที่จะบันทึก บันทึกทุกสิ่งเข้าไปในภวังคจิตนะครับแล้วหลังจากนั้นอะไรจะเกิดกับเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นห่วงผวางอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าทําทุกอย่างพุทธ ก, กรรมทําดีได้ทำใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจินตกรรมอาสนกรรมนะครับทําทุกอย่างให้ดีทีนี้เนื่องจากเวลาเรามีน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงส่วนถัดไปเนี่ยนะครับผมได้ลอกข้อความนี้มาจาก หนังสือนรกสวรรค์สาหรับคนรุ่นใหม่ของท่านพร ะ, พระเดชพระคุณพระผงคุณาภรณ์นะครับท่านบอกว่าวัตถุประสงค์ของการสอนหลักกรรมที่พวกเรามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องของหลักกรรมจริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการให้เรามีความเพียรพยายามในการทําความดีและแก้ไขปรับปรุงตนเองขึ้นไป คือเราจะไม่ไปติดอยู่กับของเดิมซึ่งอาจจะเราทําสิ่งไม่ดีไว้หรือทําได้ไม่สุดความสามารถแต่เรามองไปในอนาคตนะครับฉะนั้นจะเห็นมีคําคำหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าเราต้องเพียรพยายามในการทําความดีคําถามถัดภไยที่อยากจะขอเมตตาพระอาจารย์นะครับก็คือบุญคืออะไรครับบุญก็คือกรรมฝ่ายดีถ้าจะเห็นภาพก็ต้องพูดไปถึงบาปด้วยบาปก็คือกรรมฝ่ายชั่วนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราทําดีสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญถ้าเราทําชั่วสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นบาปนะคำชั่วหรือคําว่าคำว่ากรรมดีกับคําว่าบุญเน่ยเท่ากันนะคําว่ากรรมชั่วกับคําว่าบาปก็เท่ากันเป็นไวัยพ์ของกันและกันเท่านั้นเองทีนี้ทุกคนผมเชื่อว่าฟังมาถึงตอนนี้กําลังอยากจะบันทึกความดีหรือบุญลงไปในพวังคจิตของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับ ก็ต้องถามคาถามถัดไปว่าแล้วมนุษย์เราเนี่ยสามารถทําบุญได้กี่ทางครับท่านพระอาจารย์ครับทําบุญได้กี่ทางตอบง่ายมากประตูนในการทํากรรมมีกี่ทางสามทางนะไม่ใช่ทางโน้นและทางนี้นะหรือทางโน้น <laughs> กายกรรมทํากรรมทางกายวจีกรรมทํากรรมทางวาจา มโนกรรมทำกรรมทางใจบุญก็ทําได้สามทางนะพูดง่ายว่าประตูของบาปมีสามทางประตูของบุญก็มีสามทางฉะนั้นบุญก็ทําได้ทั้งสามทางทําบุญทางกายเช่นเมื่อกี้จเจ้าหนที่ยวนะั้นมันเสริมให้ตมาคุณหมอตอนนี้นั่งคุยกับตมาคุณหมอทําหน้าที่แทนตัวแทนทุกคนเลยคุณหมอทํากา ย, ยกรรมแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่คุณหมอพูดคุณหมอคุยกับตมาเป็นวจีกรรมที่บริสุทธิ์มากคือเผยแผ่ธรรมะก็เป็นวจีกรรมเจตนาของการจัดงานครั้งนี้ก็คือ เจตนาที่ดีหวังจะให้คนเรามาเรียนรู้เรื่องกรรมเป็นมโนโกรรมฉะนั้นกายกรรมวั จ, จีกรรมมโนโกรรมเป็นบุญทั้งหมดเลยที่เราทํากันอยู่ในห้องนี้ทุกคนกําลังทําครบทั้งหมดกายกรรมคุณพาเองมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะว จ, จีกรรมตอนนี้สงบปากสงบคําดีมากเลยอือกันนะเขาผิดวาจากันอ่ะมันก็เป็นบุญทางวาจาและจิตใจของเรานั้นใฝ่ต่อธรรมะมาก วันนี้ไม่มีเครื่องรางของขลังมาแจกเลยแต่มากันเต็มห้องอเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าบาปมาทางไหนบุญก็เกิดขึ้นได้ทางนั้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าพูดถึงวิธีการเอาอย่างรัดสั้นที่สุดก็คือการรักษาศีลก็เป็นบนุญการฝึกสมาธิก็เป็นบนุญการเฉลิมพระนารากรรมฐานก็เป็นบนุญแต่ถ้าจะขายายผลให้มากกว่านั้นวิธีการนะมีต้องเสร็วิธี เช่นการให้เป็นบนุญการรักษารินเป็นบนุญการภาวนาเป็นบนุญอ่อนน้อมทําตนเป็นบนุญมีจิตสำนึกสาธารณะช่วยเหลือก็คูณคนอื่นก็เป็นบนุญตลอดจนถึงทําบุญเสร็จแล้วแผ่เมตตาให้คนอื่นก็เป็นบนุญหรือเห็นคนอื่นไปทําบุญมาแล้วก็บอกว่าเออวันนี้ฉันไปฟังพระเทศมานะท่านเทศดีดีเราบอกสาธุโมตนาด้วยนะก็เป็นบนุญแล้วก็มานั่งฟังธรรมก็เป็นบนุญอตาตมาเองแสดงธรรมอาตามาก็ทําบุญ เรามีความเชื่อในเรื่องกุแห่งกรรมเป็นการทําความเห็นให้ตรงนี้ก็เป็นบุญและในบรรดาบุญทั้งหมดเนี่ที่ถูชุกกรรมการทําความเห็นให้ตรงเป็นบุญที่สําคัญที่สุดเพราะอะไรถ้าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะเราไม่มานั่งอยู่ตรงนี้กล่าวอย่างสั้นที่สุดนะที่ถูกชุกกรรมก็คือการมีสัมมาทิฏฐิเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิเชื่อนในเรื่องบุญในเรื่องบาปในเรื่องกรรมในเรื่องกุศลในเรื่องอกุศลแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็จะดําเนินขึ้นสู่หนทางที่ดีงามพันทีเถรนควัน ฉะนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในเรื่องบุญกุศลแค่นี้คุณก็มีความเปียนที่ตรงก็เป็นบุญใหญ่อยู่ที่บ้านของคุณเช่นเดียวกันครับขอบพระคุณครับฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้ได้ทำบุญครบทุกทางทุกมิตินะฮะไม่ว่าจะมองในแง่ของทางกายวาจาหรือทางใจหรือจะมองมามาดูในมิติของบุญยะกิริยาวัตถุสิบนะครับครบกันหมดทีนี้ ต้องถามตอครับว่าจริงๆทําบุญนี่ยมันได้บุญอยู่แล้วครับท่านพระอาจารย์ครับอย่างที่พระอาจารย์ว่าทําปุ๊บใจเราบันทึกปั๊บก็เกิดบุญที่จิตใจแต่มักจะมีคนถามอยู่เสมอว่าทําบุญยังไงให้ได้บุญหรือวงเล็ถ้าเติมกิเลสไปสัหน่อยทําบุญอย่างไรให้ได้บุญมากครับท่านอาจารย์ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญและทําบุญอย่างไรให้ได้บุญมากตอบง่ายทําบุญด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า ยะถะทินังมหาพลังวิจัยยทานังทางตับทงควรวิจัยให้ดีว่าให้ทานในสถานที่เช่นใดได้บุญมากก็พึงให้ทานในสถานที่เช่นนั้นถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือว่าทิจาจรณาให้ดีนะว่าให้บุญหรือว่าทำบุญกับวัดไหนแล้วได้บุญก็ไปทำบุญกับวัดนะั้น ประโยคนี้หรือพระพุทธพจน์ตรงนี้สัท้อนให้เห็นวิธีการทําบุญว่าทําบุญจะให้ได้บุญต้องมีการทําวิจัยหมายความว่าอย่างไงวิจัยไม่ใช่หมายความว่าต้องเสนอเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หมายความว่าทุกครั้งที่คุณทําบุญคุณจะต้องใช้ปัญญาเพราะถ้าไม่มีปัญญาในการทนนําบุญนี้เราทําทิ้งทคว้างนะคุณโยมนะทําทิ้งทํำว้างไปหมดเลยมันไม่ได้ผลอะไรเช่นบางคนเขาไม่ทํางานทําการอะไรเขาเดินมาขอแล้วก็ให้ แลเขาก็เห็นว่าโอ้รู้อย่างนี้นทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วกลายเป็นว่าเราก็ไปส่งเสริมให้คนเงเมือเงาเท้าใช่ไหมเท่ากับไปภายเรือให้โจร น, นั่งอีกฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะทำบุญอะไรก็ตามคุณจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญมากๆนะคือหนึ่งเจตนาในการทำบุญของเรานั้นต้องบริสุทธิ์หมายความว่าเราศรัทธาในหลักการทำความดีงามจริงๆงเราจรึงทำ เ, เ, เจตนานี่เป็นตัวชีวัดที่สำคัญมากและสองปัญญา ปัญญาของเรานั้นจะต้องรู้ทั่วถึงว่าเรากําลังทําอะไรถ้าเราไม่รู้ทั่วถึงเราไม่เข้าใจเราทําไปเนี่ยเราทําทิ้งทำํำกว้างมีคนเป็นจำนวนมากอยากจะทําบุญแต่ปัญญาไม่ทั่วถึงเช่นแจกทุนการศึกษาทุกปีแล้วให้หวานไปทั่วแบบเบี้ยหัวแตกเรียนดีก็ได้เรียนไม่ดีก็ได้อะไรก็ให้ไปหมดล่ะทุกๆปีให้ไปหมดผ่านไปยี่สิบปีถามว่ามีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นยอดคนขึ้นมาไหมไม่มีสักคนเจตนาดีไหม ดีปัญญาดีไหมไม่ดีนี่เป็นเหตุให้บุญในเวลาส่งผลส่งเบาๆส่งนิ่มๆคือดีเกินไปก็ไม่ใช่จะต่ําเกินไปก็ไม่เชิงความดีความชั่วมันกึ่งๆ ก, ก, กลางๆเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาจะทําบุญเจตนาต้องชัดคือบริสุทธิ์จริงๆแล้วปัญญาก็ต้องทั่วถึงว่าเราทําสิ่งนี้ก็เพื่อสิ่งนี้ถ้าสองอย่างนี้มาพร้อมแล้วหลังจากนั้นมันเป็นเรื่อง ภายนอกเป็นเรื่องพื้นฐานที่ไม่สหลักสําคัญทั้งหมดทําไมจึงเป็นเน้นที่เจตนาเพราะตัวเจตนานี้แหละจะไปเชื่อมกับผวังพระจิตมันจะเป็นตัวบังคับบัญชาแล้วก็เป็นตัวบันทึกด้วยแล้วปัญญามันจะทําให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาทําในสิ่งที่มันไม่มีสิตให้ผลเช่นคุณโยมมีข้าเปลือกอยู่ในมือกำหนึงโยนลงบนพื้นห้องนี้กลับไปสอนหนังสือตอนเย็นมาดูมันงอกเลยอย่ะ ง, งอกไหมฮะ มันไม่งอกเลยแต่เจตนาคุณนะ่ยคุณอยากให้ข้าวเปลือกมันงอกใช่ไหมแต่ปัญญาของคุณไม่รู้นี่ว่ามันจะงอกบนพื้นไม้ปาเก้นงนี้ได้ยังไงอะ่ะแต่ถ้ามีข้าวเปลือกอยู่หนึ่งกรามไปโยนลงในท้องร่องในท้องนาแป๊บเดียวกลับมาดูเนี่ยมันงอกได้นั่นคือปัญญาจะต้องมาเจตนาก็คือความตั้งใจที่จะทําบุญมีแล้วแต่ปัญญาจะต้องรู้ได้ว่าทําบุญเวทีการไหนจึงจะได้ผล ฉะนั้นสปัจจัยนี้เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการทําบุญสาธุครับเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของเนื้อนาบุญเวลาเราสวดบูชาพระสังฆคุณเนี่ยเราจะพบว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของของโลกนะครับในหนังสือวิธีสร้างบุญบา ร, รมีของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนี่ยท่านท่านเขียนว่าให้ทานนะครับแกผู้ทานนี่ก็คือหนึ่งในบุญยะกิจกรรมวัตถุสิทธที่ว่าไปแล้วให้ทานแก่ผู้มีศีลห้าเอาแค่ศีลห้านะครับ แม้จะให้มากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานแก่ผู้มีศีลแปดแม้จะให้เพียงครั้งเดียวแล้วก็จะสืบขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งให้ทานแก่ผู้มีศีลสอรยยีข้อก็คือพระภิกษุสองเลยจะถือว่าได้บุญเยอะเลยทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยในสังคมเราเนี่ยนะครับเรายังพบว่าเรายังมีปุถุชนซึ่งต้องการความช่วยเหลืออยู่เช่นเป็นเด็กด้อยโ อ, อ ก, กาสนะครับเด็กกำพร้าได้ต่าง สมมุติว่าตอนนี้ผมมีข้าวอยู่หนึ่งถุงแล้วก็มีพระภิกษุสองซึ่งเจริญนิโรธสมาบัตใช่ไหมครับอาจารย์ที่ว่าว่าโอ้แท้ทำบุญปุ๊บเนี่ยจะได้บุญเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเราเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างทางไม่มีข้าวกินแต่เรามีข้าวอยู่แค่ถุงเดียวแล้วควรจะมีทัศนคะติยังไงต่อการทําบุญแบบในสองทิศทางแบบนี้ครับท่านอาจารย์ในกรณีที่เราเราพบพระอราหันต์ออกจากนิโรธสมาบัตตักบาทวันนี้ชั้นรวยแน่เลย ค่ะเดียวกันน้องผู้เหียวหอยร้องกระจององแงอยู่ตรงนั้นนี่มันถึงนาทีวัดสติปัญญาของเราว่าระหว่างทำบุญเพื่อให้ตัวเองได้รับผลทันตาเห็นกับระหว่างการทำบุญเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีเราจะเลือกอะไรถ้าเราเลือกทำเพื่อตัวเองแสดงว่าจิตของเรายังไม่สูงบุญของคนยังเป็นบุญที่ ปนเพื่อ น, น, นด้วยกิเลสเพื่อคุณทําเพื่อคุณก็เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณเห็นกรเด็ดเอาเด็กรอดก่อนแล้วตัวเราทีหลังคุณอาจจะไม่รวยทันตาเห็นนะเพราะไม่ได้ไม่ตักบาตรกับพระผู้ออกจากนิโรธใหม่ๆแต่คุณให้เด็กบุญมันน้อยกว่าแต่ในแง่งวิวัฒนาการทางสติปัญญามันสูงขึ้นฉะนั้นถ้าเป็นอนตมาเนี่ยนตมาอาจจะเลือกอย่างที่สอง เพราะอะไรเพราะถ้าเราทําบุญเพื่อตัวเองก็เราคนเดียวแต่เด็กทั้งหลายมากันเป็นสิทธิเหมือนแม่ชีเทเรซ่าแม่ชีเทเรซ่าที่เป็นแม่พระของคนทั้งโลกเลยยิ่งใหญ่กว่าโป๊กอีกนะท่านสอนอยู่ในโรงเรียนลูกผู้ดีวันหนึ่งออกไปหลังกําแพงโรงเรียนไปเจอโลกอีกโลกหนึ่งก็คือสลัมท่านตกใจมากว่าเบื้องหลังโรงเรียนที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในบอมเบย์นั้นมีเด็กที่ยากจนข้นแข้นถึงขนาด น, นี้เชียวหรือ และเพื่อนที่เป็นมิชชันนารีด้วยกันตามออกไปก็ไปเรียกท่านมากินข้าวท่านบอกว่าแม่จะกินได้ยังไงในเมื่อเด็กอีกเป็นร้อยคนไม่มีแม้แต่จะกินหลังจากนั้นท่านเลิกใช้ชีวิตแบบเดิมคือชีวิตนักบุญในรั้วโรงเรียนอันแสนรูหราออกไปใช้ชีวิตหลังกำแพงรั้วโรงเรียนผลก็คือท่านกลายเป็นนักบุญของคนทั้งโลกในขณะเดียวกันถ้าท่านไม่ออกจากกำแพงท่านก็เป็นนักบุญของคนในกำแพงเราจะเป็นนักบุญ ในกาแพงหรือเป็นนักบุญกงดทั้งโลกเหตุการณ์เหล่านี้น่าจะทาให้คุณยมลองไปพิจิิหาิิ้ิิิาิิิิิิิิิิิิิิิิคิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิเิิิิิิิิ้วิิิิิิิ่นิิินหิายิิาิิิาิิิเิิาิิิิิิิินิิิิิิิกิิิิิิเิิิิิกิิิิิิิิิิิิเิิิิิิิิิิินิิิิิิิกิิิิิิิิิิาิิายิวิิริิิิิ พรอาจาทนไม่ต้องการแล้เพราะท่านถึงที่สุดแห่งฝั่งแล้วบุญก็เกิดกับเราฝ่ายเดียวเท่านั้นเองก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหัอใจแล้วนะว่าจะแคบหรือจะกว้างะฉะนั้ น, ะนไปไหนต้องเตรียมไปสองถุงนะครั บ, <laughs> รบตรงนี้ก็สําคัญครับมีคนถามเยอะมากเลยนะครับเด๋ยดแท่งเนิดหนึ่งครืคอคือเตรียมสองถุงนี้แล้วก็ทั้งขึ้นทังล่องเลย <laughs> <laughs> เรื่องอะไรจะเลือกทางเดียว <laughs> สมกับที่เป็นหมอ <laughs> และพี่เสียใจน้องครับท่านหลังทําบุญจําเป็นต้องอธิษฐานกรวดน้ําทุกครั้งหรือเปล่านี่เป็นคําถามที่คาใจพวกเรามากเลยครับพอ า, าจารย์จริงๆถ้าเราทําบุญเพื่อหวังที่จะได้รับผลบุญนึงก็ควรจะอธิษฐานแล้วก็กรวดน้ําแต่ถ้าเราทําบุญเพื่อหวังจะชาระใจให้บริรสรุทธิ์สะอาดก็ไม่จํำเป็นเหมือนกับเวลาที่เรารดน้ําต้นไม้เราแค่รดน้ําสังภาพในการเพลียานั้นมันมีอยู่แล้วเป็นของต้นไม้เราไม่ต้องทําอะไรคุณแค่ทําเหตุ ผลปล่อยวางไปเลยเช่นเดียวกันถ้าคุณทําบุญด้วยเจตนาบริสุทธิ์ทังทีที่คุณทํำไปแล้วจิตของคุณบริสุทธิ์ขึ้นด้วยด้วสูงขึ้นด้วยด้วคุณไม่ต้องอธิฐานมันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่สองถ้าคุณยังหวังว่าเออชาตินี้ฉันคงไม่บรรลุธรรมไม่ได้ดวงตาให้ทำเราคงกลับมาเว้ไเว้ยตายเกิด อ, กอีกะอธิฐานเผื่อไว้น่อก็ดีอันนี้เป็นพวกแทงกักกลัว <laughs> ว่าเกิดมาชาติน่าจะไม่ได้ดีก็ต้องอธิษฐานนะ ฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาว่าถ้าฉันตั้งใจจะทำบุญเพื่อพัฒนาจิตใจล้นๆ้วนไม่ต้องอธิษฐานฝึกทำและปล่อยดูบ้างคือทำบุญแล้วเหมือนกับเราถมน้ำลายทิ้งไม่เสียดายแต่ในแง่จิตใจสูงขึ้นทันตาเห็นบุญชนิดนี้เป็นบุญที่เอากันในชาตินี้นะดูเหมือนไม่เอาไม่รับนะทาและปล่อยเลยแต่เชื่อไหมคุณภาพจิตสว่างโพงเลย นี่มันชัดเจนในขณะที่ทําแล้วอธิษฐานกรวดน้ําชาตินี้คุณยังไม่รับมันเปนรับชาตินะก็ <laughs> <laughs> <laughs> แล้วแต่นะจะรักจะชอบแบบไหนทำไมก็ให้เสนอให้ทั้งสองแบบนะจะรับแบบไหนก็แล้วแต่ั้นสงสัยต้องขอกรวดน้ําแล้วขอรับชาตินี้นะฮะจ๊ะทีนี้มีคนส่งเมลให้ผมนะฮะทางอีเมลเนะี่ยแล้วผมคิดว่าเอ๊ะถ้าทําอธิษฐานแบบนี้มันจะถือว่า ถูกต้องหรือไม่ก็เลยขออนุญาตทัดลองกอาไว้ทั้งนั้นที่นี้เขาบอกว่าหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมแก่ข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและความทำรรสาบแช่งในทุกชาติทุกพบนี่หมายความว่าเราที่ฐานเราเรายกให้เขาก่อนหลังจากนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคํามสาบแช่งของพวงชนและของเจ้ากรรมนายเวรนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้ากรรมนายเวร ท, ที่เราพูดเกี่ยวกันตอนต้น อันนี้ตอบง่ายเป็นการทําบุญแล้วก็ติดสินบนเจ้ากรรมนายเวรประเทศไทยนี่เหลือเกินจริงๆติดสินบนจนคนด้วยกันเสียผู้เสียคนยังไม่พอนะี่ยไปติดสินบนเทวดาติดสินบนเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมสาธุเนี่ยถ้าลูกสอบเข้ามอชได้นี่หัวหมูเนี่ยเทวดาเสียเทวดาเองนะไม่ติดสินบนท่านในกรณีอย่างนี้เนี่ยทางออกก็คือว่า ถ้าเราทาคุณงามความดีแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรมันก็เป็นการไปละลายความเข้มข้นของกฎแห่งกรรมระหว่างเรากับเจ้ากรรมนายเวรได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถตัดให้ขาดได้คุณจะสามารถตัดให้ขาดได้ก็ต่อเมื่อคุณทําคุณงามความดีใหม่ที่มีคุณภาพสูงกว่าความเลวเก่าๆที่เคยทำเอาไว้ซึ่งโดยวิธีนี้คุณจะสามารถอยู่เหนเจ้ากรรมนายเวรได้อย่างแท้จริงยกตัวอย่างง่าย เรามีเพื่อนคนหนึ่งเล่นด้วยกันอยู่เด็เียรเรียนมชอชมาด้วยกันอยู่เด็ียเนะี่ยปกติเวลาเพื่อนขึ้นมาจากกรุงเทพก็พากันไปกินข้าวตลอดเวลานะอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนไปเล่นการเมืองและเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเชียงใหม่เราเห็นอยู่ว่าเพื่อนเรามาตรงนั้นแต่เราเข้าไม่ถึงอยากเจอแต่ไม่ได้เขาเป็นนายกแต่ความเป็นเพื่อนของเรากับเขายังอยู่ไหมยังอยู่แต่ตอนนี้เพื่อนสูงกว่าเราเพราะเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน ในทางการให้ผลลัพธ์โกเทงกรรมถ้าคนคนหนึ่งหรือคนสองคนเคอยอคาฆาตพยาบาทกันมาวันหนึ่งกรรมเก่าตามมาทันแต่คนคู่เวรของเรานั้นปรากฏว่าทําความดีใหม่มหาศาลเลยกรรมเก่าทําได้อย่างดีก็แค่มายืนมองเหมือนคนยอมเข้าไม่ถึงเพื่อที่เป็นนายกอะรู้อยู่นะเห็นอยู่นะแต่เข้าไม่ถึงแล้วฉะนั้นอยากจะอยู่เหนือเจอ้ากรรมในเวรนะถ้าให้ถูกที่สดุด ทำความดีใหม่ที่มั่นใจว่าจะเหนือกว่าความเลวเก่าอุปมานี้เห็นภาพหรือยัง น, น, นายนายกรัฐมนตรีเพื่อนเก่าของเราก็คือคู่แข่งเก่าของเรานั่นแหละแต่พอเขามาในมาสตรหรือมาในสถานะาพของนายกรัฐมนตรีเราก็เข้าไม่ถึงแต่เรากับเขายังคงรู้จักกันเจ้ากรรมนายเวรมันตามมาหาเรามันมาเจอเราตอนนี้เอา้าตอนนี้เรามนีรักษาสินแปเจปริญวิปัสสนากรรมฐานเจ้ากรรมนายเวรก็มายืนเก้อ มันทำอะไรไม่ได้มันมาแล้วนะแต่ทำอะไรไม่ได้กรรมที่มีโอกาสให้ผลแต่เหตุปัจจัยไม่เอื้อให้สำแดงผลในขณะนั้นนั้นเพราะเจ้ากรรมในเวต น, นั้นมีความดีใหม่ที่สูงกว่ากรรมชนิดเช่นนั้นเรียกว่าเป็นอหโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่หาจังหวะให้ผลไม่ได้ก็จึงไม่ให้ผลกรรมที่หาจังหวะให้ผลไม่ได้ก็จึงไม่ให้ผลเรียกว่าอหโหสิกรรมคนละอย่างกันที่คนไทยเข้าใจไหมคนไทยเนี่ย ฉันขออโหสิกรรมให้คุณคนละเรื่องเลยนะนะอโหสิกรรมในภาษาพระกับในความรู้สึกคนไทยมันคนละเรื่องนะคนไทยเนะี่ยคือเราไม่เอาความอะไรกับใครเรา ก, ก็ก็บอกอโหสิกรรมให้ใช่ไหมแต่ในหลักพระพุทธศาสนาจริงๆก็คือการที่กรรมชนิดใดชนิดหนึ่งจ่อจะให้ผลแต่มันให้ผลไม่ได้เลิกไปนั่นคืออโหสิกรรมตามความหมายที่แท้ครับขอบพระคุณครับทีนี้ จะเห็นว่าเื่อยรายงอยู่ในเรื่องของหมวดคำมธยฐานอยู่นะครับผมนำข้อความนี้มาจากหนังสือหรือซีดีของท่านพระอาจารย์เองในชื่อว่าเจ็ดสิ่งมหาสจัจจธรแห่งชีวิตนะครับอ่านดูแล้วรู้สึกว่าสะดุดใจมากนะครัขอมาแบ่งปันร่วมกันตรงนี้ไหว้พระขอพรอะไรดีขออย่าให้โรคจนหน้ามืดขออย่าให้โกรธจนทำร้ายตัวเองขออย่าให้หลงจนไม่รู้ดีรู้ชั่ว แต่ข้อสุดท้ายนี่ผมอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยสะท้อนใจมากในสังคมปัจจุบันขออยาให้ตายในสงครามระหว่างคนไทยได้วยกันนี่เป็นวิธีขอพรที่เน้นผลในชีวิตนี้เคยสังเกตไหมเวลาเราขอพรเรามักจะขอให้ชนหนานนะนิพพานะปัจจโยโหตุโน ทำไมต้องเอานิพพานชาติหน้าด้วยรู้ได้ไงว่าชาติหน้าจะเกิดรู้ได้ไงว่าชาติหน้าจะพบพระพุทธศาสนาชาติหน้าอาจจะไปเกิดในสราเจโบหรือกัณดาก็ทำไมไม่ขอสชาตินี้เลยอัตมาถึงอยากจะกระตุกคนไทยว่าเวลาคุณขอพรคุณขอเพื่อชีวิตนี้ได้ไหมเพราะอะไรเพราะชีวิตหน้านั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยถ้าคุณทำเหตุดีนะถอนมันดี ร้อซแต่ในปัจจุบันขณะซึ่งเป็นชีวิตที่คุณบริหารจัดการได้สิทําไมคุณไม่กลับมาดูมาแลกันฉะนั้นเวลาขอพรลองขอใหม่ได้ไหมขอให้เราทําดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้ามันดีอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าวันนี้ดีพรุ่งนี้มันก็ดีถ้าวันนี้ถูกต้องพรุ่งนี้มันก็ไม่ผิดคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดแต่ในความเป็นจริงมันจะไม่ผิดตามความเข้าใจของคนทั่วไป ถ้าเราขอให้ในชีวิตนี้มันดีนะผลที่ได้รับมันเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้แต่มาจึงเขียนเอาไว้ว่าขออย่าให้โลภจนหน้ามืดเพราะอะไรเพราะถ้าคุณโลภจนหน้ามืดชีวิตคุณไม่ได้แย่ในชาตินี้นะมันจะแย่ในชาตินี้เลยพอโลภจนหน้ามืดแล้วค่าพ่อค่าแม่ก็ได้ค่าพี่น้องก็ได้ค่าคนไทยด้วยกันเองก็ได้นั้นขออย่าให้โกรธจนทําร้ายตัวเองก็เท่ากับว่าขอให้มีสติเพราะถ้าเรามีสติแล้วสิ่งร้้ายจะเกิดขึ้นไหม ไม่เกิดอาตมาได้พูดเอาไว้หลายครั้งว่าเคราะกับโชคลอยอยู่บนฟ้าเคราะจะลนใส่หัวคนโง่และขาดสติโชคจะลนใส่หัวคนที่มีสติและมีปัญญาจริงไหมคนขาดสติและขาดปัญญาเนี่ยทำอะไรก็มีเคราะหมดนะแต่คนมีปัญญาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีโชคตลอดเวลาพระพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าสติมาตโตสุเวศโยก คนมีสติเขาโชคดีทุกวันนะหรือสติมัตโตสถาพัฒนก็คือคนมีสติก็มีสิ่งดีๆทุกวันฉะนั้นถ้าเราขอทำไมเราไม่ขอให้ชีวิตนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วก็ลงมือทำเลย่ะแทนที่จะไปขอชาติหน้าแล้วไม่มีอะไรรับประกันเลยอย่างเรารับประทานอาหารเราเราไปซื้อผักซื้อผลไม้ซื้ออาหารกระป๋องมี อ, อยอรับประกันใช่ไหมคุณขอพรชาติหน้าคาถามก็คือแล้วใครมารับประกันคุณ ว่าชาติหน้าคุณจะมาเกิดอีกคุณจะพบพระพุทธศาสนาอีกฉะนั้นเวลาขอพรจึงอยากให้ขอสองระดับระดับหนึ่งเผื่อเลือกเอาชาติหน้านะตามคุณหมอนะสองขอในชีวิตนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ดีทันตาเห็นก็ขอสองแบบแบบนี้รับรองว่าชาติหน้าก็ดีชาตินี้ก็ดีขอบคุณครับเวลาเราเหลืออีกสักประมาณน่าจะสักห้านาทีสิบนาทีนี่นะครับอาจารย์ ทีนี้ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราตอบได้แล้วละ่ะคือเมื่อเราพิจารณาเรื่องของวิบากกรรมเรื่องบุญเสร็จเราก็จะมาขมวดผมว่าบุญแก้วิบากกรรมได้หรือไม่แต่ถ้าถ้าจะตอบเลยก็คงจะยังไม่ได้บริหารความคิดเท่าที่ควรผมเลยขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาอันนี้นะครับว่าถ้าผู้คนที่อยู่ในงานวันนั้นเนี่ยปีใหม่นะครับแล้วก็มีการยิงพลุในผับหุบเผาสยองห้าสิบเก้าศพนั่นคือได้รับวิบากกรรมแล้วละ่ะนะครับถ้ากรณีแบบนี้เราจะ สร้างมุมมองเนี่ยครับอาจารย์ว่าบุญแก้วิบากกรรมได้หรือไม่ในกรณีที่เผาไปแล้วห้าสิบเก้าศนี่นะก็ถ้าอธิบายในแง่ของของกรรมก็คือเขารับกรรมไปแล้วคำถามก็คือใครจะแก้เจ้าตัวคงไม่มีสิทธิ์แล้วอะวหมายความว่าถ้าเกิด ตอนที่กําลังตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะไปงานปีใหม่วันนี้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจะบุญมันมีโอกาสส่งผลให้ให้เขาผ่านพ้นวิกฤตการณ์วิบากกรรมมันจุเล่นพรในกรณีที่หนึ่งถ้าเขาเป็นคนที่ทําก ร, ร ม, มู่มาด้วยกันอย่างนี้เร า, า จ, จะเรียกว่ากมมู่กมหมูก็หมายความว่าเช่นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ในก ร, รณีที่ตมายกตัวอย่างมาเมคกี้มีเจ็ดคนเป็นกรรมหมูนี่คือทํากรรมร่วมกันก็ไปค้างอยู่ในถ้ำด้วยกันทั้งหมด เรียกว่ากรรมมถ้าถึงเวลากรรมจะส่งผลเป็นวิบากคนทั้งหมดถูกดึงดูดมาในที่เดียวกันรวมกันทีนี้ถ้ามีคนอีกหลายคนไม่เคยทำกรรมหมกด้วยกันมามากอยู่ในนั้นกรรมจะจัดสรรเหตุปัจจัยให้เขารอดได้ทั้งหมดจะทุกจะยากจะลาบากยังไงก็ตามกรรมจะพาออกมาได้เช่นในกรณีเหตุการณ์ครั้งนี้ทำภาพได้ อ่นบทสัมภาษณ์ของเด็กคนหนึ่งซึ่งในอดีต ร, รู้สึกว่าเป็นนักเรียนอังกฤษที่อังเกตั้งเขาจะสอนกันตั้งแต่เด็กๆเลยวิธีรับมือกับไฟไห ม, ม, ม้วิธีรับมือกับตึกถล่ม ว, วิธีรับมือกับแผ่นดินไหววิธีรับมือกับสึนามิปรากฏว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งวิ่งลงไปในชั้นล่างไปออกันอยู่ในห้องน้ําแล้วไฟไหม้ข้างบนขนาะเดยียวกันควันมันก็ไปทุกคนทุองแห่ง เด็กคนนี้เรียนวิธีรับมือมาถอดเสื้อเอาจุ่มลงในชอ่อโครกแล้วเพื่อนๆทุกคนทำตามแล้วเอาน้ำสาดไปทั่วห้องเลยเพื่อให้มันไปเจือจางกับควันที่จะเข้ามาให้ในห้องน้ำนั้นมีออกซิเจนทำกันอยู่อย่างนี้จนในที่สุดคนบุกเข้ามาช่วยเอาชีวิตรอดได้ในขณะที่คนวนใหญ่ไม่มีการศึกษาไม่ได้เรียนวิธีรับมืออย่างนี้มาพะควันมาพอไฟมาก็กรีดแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็ล้มหบลงไป แต่เด็กกลุ่มนี้มีเด็กคนหนึ่งครองสติเอาไว้ได้และใช้ปัญญาแก้สถานก า, ารณ์เขาเล่าว่าในเวลานั้นเขามองไม่เห็นหรอกว่าน้ําเหล่านั้นเป็นน้ําที่อยู่ในชั้โครกเขามองเห็นแต่ว่าเป็นน้ําที่จะทําให้เขาเมฆชีวิตรอดและเขาก็ทํา <linear. S 1> ก็อธิบายในทางกฎแห่งกรรมได้ว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมกันและไม่ได้เป็นผู้สมรู้ร่วมทําจึงมีเหตุปัจจัยจัดสรรให้เขาเอาตัวรอดได้ในที่สุด ถ้าเราจะแก้กรรมในกรณีเช่นนี้เนี่ยอาตมาคิดว่ามันคงไม่ทันเพราะอะไรเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่กรรมเขากาลังแสดงวิบากนะกลุ่มไหนที่ทํามาแล้วมันก็จะถูกผลักให้ไปรับวิบากแต่กลุ่มไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะเหตุปัจจัยผลักให้ออกมาจนได้ในที่สุดเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเราพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างที่พระอาจารย์ว่าวันนี้เพื่อนชวนไปฐานเล่าที่ผับแห่งนี้เราบอกวันนี้ถือสิ่งแปลกอยู่ไม่ทาน ก็อาจจะผ่านผลไม่ผักรรมตรงนี้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ไปร่วมทํากรรมูด้วยสังเกตนะคนที่ไม่ได้ร่วมทํากรรมูดด้วยจะมีเหตุปัจจัยให้รอดแบบถ้ามองแบบคนทั่วไปก็คือแปลกๆถ้ามองแบบพุทธไม่แปลกนะเอาง่ายๆเลยเมื่อปีที่สึนามิเข้าประเทศไทยมีลูกศิษย์ของอาจมากลุ่มหนึ่งนัดเพื่อนมาจากอังกฤษแล้วจะต้องไปพักผ่อนกันที่ภาคใต้จองโรงแรมไปหมดดูมันจะที่ภูเก็ต แต่อยู่มาวันหนึ่งอรรมะพัฒจะแจกพระห่มที่จังหวัดชิวรารธรรมาพัฒโทรศัพท์ไปชวนทั้งครอบครัวเลยยกกันไปแจกพระห่มและโทรศัพท์ไปยกเลิกนัดกับเพื่อนขณะกําลังแจกพระห่มอยู่ซึ่นอามิเข้าเพื่อนของเขาที่มาจากกรีฑเสียชีวิตในทะเลทั้งหมดคอยงคิดดูว่านี้คืออะไรเพื่อนกลุ่มนั้นทํากัมโมมาเขามาเป็นเพื่อนกันในชาตินี้แต่ไม่มีเหตุจะต้องไปรับกัมโม เหตุปัจจัยคือตอมาโทรศัพท์ไปชวนแจกพระหรมซึ่งผู้เป็นแม่บอกว่าร้อยวันพันปีจะไม่เคยเลื่อนนัดเพื่อนกลุ่มนี้เพราะเป็นนักเรียนอังกฤษมาด้วยกันคุณยมงคิดดูสิแล้วทำไมจู่ๆตมาโทรศัพท์ไปชวนในช่วงเวลาแค่ห้าวันเท่านั้นปกติเธอบอกว่าไม่เคยรับนัดใกล้ขนาดนี้นะแต่พอพระอาจารย์โทรมาไม่รู้เป็นยังไงมันอยากจะไปพอไปก็รอด นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะว่าถ้าคุณทำกรรมดีเอาไว้ไม่มีทางเสียหายแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไม่สูญหายเหมือนกับสสารก็ไม่สูญหายไปจากโลกนี้ความดีที่เราทำล้นส่งผลตมาได้เขียนเป็นวลีให้จำง่ายว่าความดีไม่มีหายและความร้ายไม่มีสูญ